ب ِ ا ل ل ه م ن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَكَذَلِكَ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَكَذَلِكَ أ َ ن ز َ ل ْ ن َ ا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الَّذِينَ آمَنُوا ل َ ج َِ ا ب َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و ن َ بِهِ وَالَّذِينَ ใจน้าฮุมุลกิตาบาโยมินุนบิ อาจุบอ้ายตินาอิลล์กาฟิรุน وما كنت تسلو من قبلي كتاب وما كنت ت ل و من ق ب <ت ص في ق> ل من, من كتاب <ت ص في ق> ولا ت خ ط حج بآياتنا إلَّا ا, إ الم ال ل ا م و ن وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربي وقالوا لولا أنزل علي آيات من ربي بسم الله الرحمن الرحيم อฮฺอั ا ه ه ل ل ฮฺ ن ัลลอฮฺอัลล ن ฮฺอัลลอฮฺ و ัลลอฮฺอัลล ن ฮฺอัล ن อ س ฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอั ل ลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ و ลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลล وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم ب ك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بعلامات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء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 ส a l a m u i k u m w h m a t u l l a h i w a b a r a k a u h พี่น้องที่ร่วมนมาซุบอที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามที่นั่งอยู่ที่บ้านนะครับท่านทอมทีวีนะครับเราขอบคุณ a l l s u b n เพราะสร้างเรามาให้เป็นมนุษย์ถ้า a l l a สร้าง ให้เรามาเป็นเป็นสัตว์ก็นอนอยู่ตามกิ่งไม้เราต้องขอบคอุณนรรนะเจ้ารรสร้างเรามาเป็นมนุษย์แล้วให้มีบ้านอยู่การที่เรามีบ้านนี่เป็นเนือหมัดนะครับการที่เรามีภรรยานี่ทำให้ใจอบอุ่นเป็นเนื้อหมัครับเรามีลูกเป็นเนื้อหมัครับ พอมีศาสนายิ่งเป็นเนี่ยมัดใหญ่เลยยิ่งปฏิบัติตามศาสนาที่อัลลอฮ์สอนเอาไว้ยิ่งดีใหญ่เลยครับพี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮการใช้ภาษาขอบคุณอัลลอฮฺเนี่ยมีมอยู่ประมาณอยู่ในคัมภีร์กุ้อ่านผมขอนำมาสักหกเจ็ดข้อซึ่งเราก็พูดทวนทวนกันอยู่เป็นประจำเพื่อม่ให้เราเนี่ยหลงไม่ให้เราคิดเป็นอย่างอื่น ให้ผู้ชมอ Allah ให้กล่าวว่า Subhanallah a ال ล h a m d u l i l l a h Subhanal MAlikil Kudus لا حول ولا قوة إلا بالله a l า a h u Akbar لا إله إلا الله เนี่ยหกเจ็ดประโยคนี้ให้เราเปียกชุ่ม้วยกับการรำลึกถึง Allah, อ Allah Subhanahu Wa t a า, าใครทำรูปแบบนี้ไว้ รูปแบบที่ว่าเนี่ยใครทำท่านนาบีไม่ทำเป็นรูปแบบไว้เนี่ยเราก็ไม่ทำแต่นบีทำรูปแบบเอาไว้เวลานาบีนั่งประชุมกับบรรดาสหบาบะนัง่งนั่งประชุมกันอยู่เนี่ยท่านาบีไม่พูดนบีก็จะนั่ง astaghfirullah a ullah, Ast ullah, Ast ullah, Ast ullah, Ast s t a g h f i r l l l l a h a s t a g ิร i r l l l l a h บางท่านสหบัติก็ได้ยินเสียงนบีพูดออกมา แปลว่าอะไรครับฉันขออภัยขอโทษ <c oughs> ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในความผิดของฉันถามว่านาบีมุฮัมมัดมีความผิดหรือม่นั่นไม่มีไม่มีเพราะอัลลอฮ์เป็นประกันบอกว่านาบีนั้นเป็นมัซูมมัซูมแปลว่าไร้ความผิดไม่มีความผิดแต่นบีทําไมนบีต้องกล่าวอ s t a g h f i r u l l a h ฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่อ อ, อัลลอฮ์ เวลานั่งประชุมนี่ประมาณเจ็ดสิบครั้งถึงร0อยครั้งเพื่อให้เป็นแบบกับพวกเราวันนี้ฉะนั้นคนที่นึกถึงซู น, น่านาบีเนี่ยเขานึกถึงนบีนบีทาอะไรนบีทำอะไร น, บ, ไรนบีนอนยังไงตื่นนอนยังไงเข้าห้องน้ำยังไงเข้ามัสยิดยังไงพยายามเรียนแบบนบีดื่มน้ำยังไง อ, อัลลอนอนยังไงอลัลลอฮฺพี่น้อง ทั้งหมดเหล่านี้จะนํามาซึ่งบาราคัดความเจเริญกับชีวิตของเราเองนะครับพี่น้องขอบคุณเราลองวันนี้เรามาถึงอายาที่สี่สินะครับเราอ่านแค่สี่อายาเองพี่น้องอาทิตย์ละนะเยอะไหมไม่ได้เยอะพี่น้องแต่ทําไมเราเอาแค่นี้แหละเพราะเรารู้ว่าคนไทยนี่งานเยอะวุ่นกับหาดิสกีก็เลยไม่มีเวลามานั่งอ่านคุณอ่านนะพี่น้อง เขาก็บเมตตาสงสารนะอายาที ka, ่สี่สิก็คือวกาดาริกาอันจัลนาอิลัยกาอิลัยกาล k i t a บวกาดาริกาอันจัลนาอิลัยกาล k i t a บ فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها أ و ل َ ك ما يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك ز َ ل ن ا إلَيْكَ الْكِتَابَ فَلَذِينَ آتَينَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا أ ُ ل َ ي م َ ي ُ ؤ ْ م ِ ن ُ و بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآياتِنَا إلَّا الْكَافِرُونَ อัลลอฮฺอักบารอันกุรอานแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์นี่มันกินใจจริงๆเอามาดูดูกุรอานนะดูดูศัพท์มันก่อนวกาด่าเล็กแปลว่าในทรรนองนี้แหละอันซัลนาแปลว่าเราได้ประทานลงมาอีไลกะมายังท่านท่านมาถึงนบีมุฮัมมัด ประทานอะไรมาครับอรุกิตาคำพีเล่มนี้อัลกุณอานเล่มนี้เนี่ยชี้ไปถึงคำพีรเล่มที่เรอาอ่านอยู่นี่แหละอัลลอฮ์เล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังนะครับเหมือนกับเตือนนบีมุฮัมมัดเอ่ยรู้ปล่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยคำภีเล่มนี้เนี่ยเราได้ประทานลงมาจากชั้นฟ้าณาสายฟาทั้งที่เจ็ดโนนะ ผ่านจิบรีนมาให้ท่านเนี่ยขั้นตอนเยอะมากกว่าจะมาถึงท่านเนี่ยเคลียบบนชันฟ้าหมดแล้วไม่มียินไม่มีสายตอนขวางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยยินสายตอนขึ้นข้างบนได้พอแต่งตั้งนบีมอมหัดพอประทานอันกรุณา ล, ลงมานี่เคลียบข้างบนหมดแล้วเห็นยังครับแล้วก็ให้จิบรีนพาอันกรุณา ล, ลงมาจาก AH, อักลลอฮ์ไม่ใช่เมือนลไม่ใช่สายตอนพานะครับ มาลายกาพามามอบให้แก่ท่านทุกวันยี่สิบสามปีของการเป็นนบีเห็นอย่างเขว่าขั้นตอนในการประทานอันกรุรอาน ล, ลงมาเนี่ยไม่ได้ยุคเรานะยุคนบียังมีชีวิตอยู่เทาว่ามันก็มีปัญหานะอัลลอฮฺอัลกุรอาขั้นตอนในการประทานอันกรุรอาน ล, ลงมาเนี่ยแต่และประทานที่มักกะต่อมาประทานที่นครมดีนะั้น บางทีกับประธานระหว่ังนครมาการ์กับมาดีน่ามาให้ท่านอบดขั้นตอนมีหมดเลยพ่าเขาเรียกว่าอัลบาบุนูรุนสาเหตุของการประทาน อ, าอัลกุรอานรู้หมดแต่พวกเราไม่มีเวลามาอธิบายานานๆอธิบายกันทีนึ ง, งแล้วกุรอานที่ประทานลงมาเนี่ยชัดเจนไบยินาพี่น้องต้องท่องทราบแล้วะนะไบยินาแปลว่าอะไรนะชัดเจนในงงอายะที่ เจ็ดสิบสีอ่า4ี่สิเ้นี่ยจะมีคำว่า บ, บายีนะอะ์อยู่คำหนึ่งนะครับกุรานที่เราได้ประทานลงมาให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดคำพี่เรื่มนี้นะอธิบายเรื่องชัดเจนเลยข้อสงสัยไม่มีขอยกตัวอย่างตะกี้อิหม่ามอ่านนะสุบบุมีสองรุกมีสอ ง, สอ ง, อนะ ส, องสองรนะสองสองเราก็อาจใชมาห รักอ่านแรก อ, อ, อ, อ่นได้รู้แลอินนัลละกาลูรบบุลลุุมสตะามูอธิบายยังไง ร, รูม้มนี่กรานอธิบายหมเลยนะคนใกล้จะตายคนที่มีศาสนาใกล้จะตายอัลลอ์จะส่งมาลายกาลงมาปลอบใจคนใกล้จะตายสามเรื่องสบายใจสบายใจ มาปลอบใจว่าไงละตะคอฟูอย่าอะไรอย่ากลัวพี่น้องก็ท่องศัพท์คำนี่ละตะคอฟูอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวโอ้ได้ความรู้กลัวเรื่องอะไรครับคนเนี่เวลาต้องตายจะมาตาต้องผ่านอะไรผ่านกูโบก็กลัวอยู่ในกูโบฉันถูกลงโทษหรือเปล่านี่อะไรกล้ามาหาฉันแบบไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย หาไม้น่าสามาหรือเปล่าหรือเหล็กท่อนโตๆมาทุบฉันหรือเปล่านึกลาตาคอฟูวายตาจานูอย่าไปกังวลเรื่องข้างหลังคนจะตายไปน้องก็ห่วงเรื่องข้างหน้าเอ๊ฉันจะถูกลงโทษที่กูโบรหรือเปล่าแล้วก็ลูกฉันเมียฉันทรัพย์สมบัติฉันสะสมมาไว้เนี่ยบนดุญยาแล้วใครจะดูแล น, นึกัหมนึก อัลลอฮ์ทรงมาริค่ามาปลอบใจตอนใกลใจ้จะตายถามว่าเห็นหรือไม่เห็นเห็นมาริาค่าครับอัลลอฮ์เห็นยังก็มีคุงานอธิบายชาัดเจนไปนองลาตาคอฟลาตาฮะจนไม่ต้องกลัวเรื่องข้างหน้าไม่ต้องวงเรื่องข้างหลังว่าอาบชิรูบิลยานนะและแจ้งข่าวดีว่าคุณนั่นได้ไปสวรรค์ถามว่านอนตาหลับอะไร <c oughs> อ้า วิญญาตออกก็ออกเธอสบายแล้วอาวครูอ่านให้บายต่อไเองกนะนูเอลียาอุกุมเราเนี่ยอยู่กับท่านอัลลอฮฺเล่าให้มลายกาเล่าว่าเล่าในอยู่กับท่านนะฟิทดุนยาวัลอาคราะทางดุนยาและอาคราะมันแตกต่างกันนิดหนึ่งบนดุนยามองไม่เห็นตัวอาคราะเห็นตัว อ้ามาเชื่อลองตายดูพอตาอัลลอฮฺเห็นอะไรข้าจริงๆเนี่ยใช่เนี่ยว่าหาเราจริงๆตอนใกล้จะตายจริงๆเนี่ยคุรานอธิบายอย่างนี้ถามว่าสบายใจไหมแหละอ้าวรักอัลที่2อิไอ้มามอ่านตะกินอ่านว่าไงนะโอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอย๋ยวันตังซุร์นับสุมมากัดดามัดลิกด ชีวิตที่ผ่านมาเนะ่ยเช็คบ้างเา้าใครสั่งได้อย่างเงี้ยถ้ามาใช้อลัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์สั่งวันตอนสุดให้พิจารณาให้เช็คเช็คเช็คเช็คช็คเช็ช็ชีวิตที่ผ่านมาตอนหนุ่มๆเป็นยังไงตอนอายุห้าสิบเป็นยังไงตอนสีสบห้าเป็นยังไงเช็คหมดเลยเช็คอามันเช็คอิบะดาเช็คเงินเช็คพ่อเช็คแม่เราทําอะไรบ้างกับความดีกับหรือเปล่า ชีวิตใ น, นอดีตที่ผ่านมาวันตั้งโดดนับสุนมากอดระ ม, มัดลีกดถ้าเช็คดูแล้วเนี่ยมันไปไม่รอดด้วยกูตายนี่กูแย่เลยลนะ่ะทำไงครับปรับปรุงใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ทำไมอัลลอฮ์พูดว่าวันกิยามะแค่าวันพรุ่งนี้เพื่อจะเบอกใหรรู้ว่าโลกดุนยาเนี่ยสั้นนี้เดียวตอนนั้นเองไม่ได้ยาวพูดว่าไงนะลีด เรียกรอดิน<ม>ให้ปรับปรุงตัวเองพิจารณาตัวเองแก้ไขตัวเองเพื่อวันพรุ่งนี้นี่ลองตายภาพมาถึงพรุ่งนี้ยังถึงเลยใชนนะ่ะต้องรอที่ไหนนี่พวกอ่านสอน อ, อีกวากหนึ่งอิมามอ่านท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมอัลลอ์ใครที่ลืมอัลลอห์เท่ากับลืมตัวเองอัลลอฮ์นี่ชัดเจนไหมชัดเลย ท่า น, นคนที่ไม่ลืมอัลลอฮ์เท่ากับไม่ลืมตัวเองคนที่ลืมอัลลอฮ์เท่ากับลืมตัวเองเวลาจะคุนุกัลละีน่านาซุลลอฮฺฟอันซาฮุมอัมฟุซาฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซีคุนท่านทั้งหลายอย่าลืมอัลลอฮ์นะให้นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆการนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเท่ากับนึกถึงตัวเอง ขายอธิบายให้กูนะนี่ไงี่ว่าอ่านเนี่ยนะอันซัลนาอิลัยกะลกิตาบเราได้ประทานอันกรุณาลงมาให้กับท่านชัดเจนอัลฮัมเดล๋ยวไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นและเป็นความรู้ทั้งหมดเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้นาบีอ่านกรุณาใช่ไหม วัตลุมาอูฮัยาอิไลกะมินัลกิตะมุ h a m d เอยจงอ่านคำพีกุรอ่านเรี่อนี้ว่าอากิมิสซละละจงดำรงไว้ซึ่งการนะมาศทาไมกุณอ่านพูดถึงเรื่องอ่านกูรอ่านก่อนแล้วพูดนะมาศที่สองเพื่อต้องการจะให้เรานั้นสนใจอะไราุณอ่านกุณอ่านกันละมาศของคู่กันเลยใครที่นมาศให้เวลา ก็ต้องอ่านคุนอ่านวันกี่เวลาก็หาให้เวลาเหมือนกันดีหรือไม่ดีถ้าเราจำนะอัลลอฮฺอัลบาดมันจะจูนสมองเราอรัลลอฮฺอัลบาดในคิดนั่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นดีหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายออาวนี่คือกูอ่านอันเดียวนะวกาซาลิกันซัลนาอิไลกาลกีตาเบในทำนองเดียวกันนี่แหละ เราได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับนบีมุฮัมมัดให้กับท่านนี่แหละคำพี่เล่มนี้อธิบายเรื่องราวเอาไว้ตลอดละเอียดยิบเลยชีวิตของมนุษย์อยู่ในกีกุอานทั้งหมดเลยต่อมาครับฟัลลาีนาตัยนาฮุมุลกิตาบบันดาผู้ที่เราได้ประทาน อาใยนาแปลว่าเราได้หรือผู้ที่ได้รับบรรดาผู้ที่ได้รับอัลกิตาร์คำพิเลี่ยมนี้นี่นะบางคนเป็นยังไงครับยุมีนูนะบีฮีรับพับอีมานเลยมมหรือไม่มีมี รับพับขวางเลยมีไหมมีนี่ไงมนุษย์มีสองอย่างพออัลลอฮฺประทานอันกรุรอานลงมาผ่านนาบีมูฮัมหมัดพอกุรอานนี่ไปถึงไปถึงชาวบ้านชาวบ้านบางคนรับเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยเปลี่ยนอักกิได้เลยบางคนรับแล้วเป็นไงขวางเลยจึงมีสองสองอย่างสามีอานาะ ว่าอ้าออ่านได้ยินกุรอานแล้วเราเชื่อเลยนั่นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งสามีอ่านว่าว่าอ้าวอยนาได้ยินแล้วฉันไม่เชื่อหรอกตัวละเมื่อกุรอานนี่อธิบายชัดนะเอาเล่าให้นบีอุมัดฟังว่ามารู้ไหม่ในกลุ่มอาหรับนี่แหละพอเราประทานอันกุรอานลงมาให้กับท่านพอท่านอ่านปั๊บเนี่ย บางคนเนี่ยอีมาเลยมีไหมมีบางคนนี่ขวางสุดๆเลยมีไหมมีฮานบีเตรียมตัวไว้ดีไหมทำได้เลยละอ่านขอยกตัวอย่างว่าคนที่อีมานมีใครบ้างคนที่หนึ่งอับดุลละเบนซาลามชื่ออับดุลละเบนซาลามวันี้เป็นอัลมาเหมือนกันมีนักมีความรู้เขียนหนังสือเก่งอะไรเก่งหมด พออ่านคนอ่านปั๊บโอ้โหนี่มันของแปลกจริงๆรับเลยอีกคนหนึ่งมาจะคนอาหรับคนเปอร์เซียซัลมาลฟาริซีเห็นไหมคนต่างชาตินะคนเปอร์เซียนะพออ่านกคนอ่านปั๊บรับเลยอีมาเลยยุมินูนบีพวกเขาอิมาเลยอย่างเงี้ยรอไปสวรรค์เถอะพอตายมาเลกาก็ลงมา ลาตคัฟุและตัพนุแะอับชิรุบินจันนติที่คุณตุมตูอัตดุอัลลอฮฺอัลลอกร์แต่นี้บางคนเชื่อไหมที่ที่ทปฏิเสธก็เยอะที่เชื่อก็มีไหมมีเล่าให้านาบีบุระมัดฟังนี่ร้อนเล่านะเพราะนาบีไม่รู้ว่าที่นั่งนงกันอยู่ในจังในะคอนมะกาว่านั้นใครบ้างที่อีมานต่อนบีและใครบ้างที่ไม่อีมานต่อนบีนบีไม่รู้หรอก พออัลลอฮ์เล่าปั๊บโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจและเข้าใจละเข้าใจละแสดงมกราเนี่ยเป็นชีวิตชีวาของพวกเราจริงๆนะเอาต่อมาครับวามินฮาอูลาอิมายุมินุบิฮีและในหมู่พวกพวกเขาเหล่านั้นทีนี้ก็เจาะจงนะอาหรับมุสริกในนครมักกาะนะั่นแหละทำไมอัลลอฮ์เน้นตรงนี้ล่ะ พอเอาละประธานอัลกุรอานลงมานะครับมันจะจ่อจงคนอาหรับแล้วนะแต่ให้เป็นกรณีพิเศษลงมาให้กับชาวอาหรับเป็นกรณีพิเศษเพื่อจะให้ให้อาหรับตรงนี้น่ะเผยแผ่อิสลามไปทั่วโลกไปทำยังไงเลิกก็เขาก็ทําจริงน่ะซัวบ้านอับดุลเบิแต่ละคนนะไม่ได้ตายที่มักการนะไปตายที่อื่นหมดเลยผมมีชื่อหมดเลยเนี่ย กับสิทธิอธิบาลลยว่าสวบนะนบีคนนี้คนนี้คนนี้คน น, ค น, นี้อายุเท่าไรไปตายในประเทศไหนประเทศนั้นีหมดเขาเก็บชื่อไว้หมดเลยแต่มันจะบอกว่าโรคอะไรั้นนแต่ว่าตาในต่างประเทศหมดเลยไปมีเมียต่างประเทศต่างประเทศต่างประเทศเห็นยังครับเนี่ยคนเหล่านี้นี่ยทำงานาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตัลาละนะครับทีนี้ วัสดท้ายนะครับว่าม่ยากจะาดู b i a y a อิลัลกัฟิรุนพี่น <invoke> ้องทอมศราบแล้วนะยากจะฮาดูน <eni> ี <rainforest> ่แปลว่าปฏิเสธว่ามายากฮาดูไม่มีใครปฏิเสธ biayatina สัญญาหรืออัลกุรอานที่เราประทานลงมาจ่อชันฟ้าให้ท่านนาบีนั้นไม่มีใครปฏิเสธมันสัญญาของเราไม่มีใค ร, รกล้าปฏิเสธสักคนหนึ่งแต่มีไหมอลิลกาฟิรูนอกจากคนที่คนกาเฟตเท่านั้นกล้าปฏิเสธ สัญญาณต่างๆที่อัลลอฮ์ประทานลงมาจากชาน้าผ่านท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอาลวาัลลัมเพียงน้องคนกล้าปฏิเสธมีไหมมีเนี่ยอุลมามะอธิบายอย่างนี้คนที่กล้าปฏิเสธคำสามของอัลลอเนี่ยหนึ่งคือคนกาเฟอุลมามะอธิบายดีนะแสงอาทิตย์เนี่ยแสงอาทิตย์กับอัลกุรอานั่นเหมือนกัน กุลาเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยแสงมั น, นขยายไปทั่วโลกใช่ไไไหรือไม่ใช่มนุษย์เนี่ยที่แอนตี้ไม่เอากุลาเนี่ยหรือไม่เอาอัลลอฮ์เนี่ยเองเอามือปิดได้ไหมล่ะเห็นยอยาน่างครับอย่างวัตถุนาอธิบายนา่ะเองเอามือของคุณไปปิดแสงดวงอาทิตย์เองทําไม่ได้แล้วก็ปิดได้นิดเดียวนั่นนะ ฉะนั้นเองยิ่งปฏิเสธเองเทไหรเองเองก็ลาบากเองแต่กุรอานไม่แต่ไปไหนยังอยู่เหมือนเดิมแสงสว่างเหมือนเดิมแบบดวงอาทิตย์เลยและโลกใบนี้ทําไมมีกุรอานนะำมนุษย์แย่กว่านี้ที่อยู่ได้วันนี้มีเกียรติกันเคารพยกย่องกันไปมาหาสู่กันอะไรกันช่วยเหลือกันเพราะอัลกุรอานเพราะคําอคสอนของอัลลอฮฺ ที่ผ่า น, นาบีมุฮัมมัดผาน อ, อลัลกรุรอานเนี่ยสังคมจึงมีเกียดกันอยู่ด้วยกันสามีภรรยาอยู่กันรับใค ร, อร่อนอะไรเพราะอิสลามวันนี้คนวิ่งหาอิสลามแบบโดนไม่ไม่ไม่รู้ตัวนะอ๋อพอพอยกตัวยอย่างเนี่ย น, น, น้ํานดื่มน้ํายังไงไม่ให้ป่วยกับดื่มน้ําแล้วก็ป่วยดื่มน้ำไ ม, ม่ให้ป่วยดื่มตามดื่มตามสุนนะนบี ทุกคนยอมรับแต่ไม่รู้ว่านี่นบบีสอนไม่รู้น้ำแก้วนี้เนี่ยอย่าข้าจว่าอึกเดียวหมดถ้ากินอึกเดียวหมดนะ่ามันแพ้หรือไม่ก็วัวหรือไม่ก็ยามูสบัฟเฟโลใช่หไหมแต่ว่าถ้าเอาสุนัขนบีมากินกินตามสุนัขนบีสุขภาพแข็งแรงด้วยอย่างนี้มันต้องสองนาทีอย่างเงี้ย กินทีละนิดนันิดนี่แหละสุ่หน้านาบีสุขภาพแข็งแรงหมดเลยเห็นยังรครับนี่อิสลามวันนี้คนเข้าหาเข้าหาหลักการกันหมดแล้วนอนยังไงให้มีสุขภาพกินยังไงให้มีสุขภาพผมก็นั่งมองดูในสังคมเอาหล่ Allah วิ่งหาสุ่หน้านาบีกันหมดแต่ไม่รู้ว่านี่มาจากท่านนาบีนี่มาจากอัลลอฮ์สุภานะหุวาตาลวันนี้เริ่มนอนทาสู่หน้านาบีกันแล้วนอนตะแคงขวา พอหมอพิสูจน์แล้วว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายมดสิจะเอาความรู้นี่มาจากไหนถ้าไม่ผ่านอัลลอฮและผ่านอัลซูลนี่ความสามารถครับ <S <S ตกลงว่าว า, ายาจฮาดูบิอายาตินาจฮาดายาจฮาดูแปลว่าอะไรนะปฏิเสธไม่มีใครปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราหมายถึง ของที่นบีมุฮัมมัดนำเอามาสอนนะครับหรืออัลกุรอานแต่ละอายะแต่ละอายะที่อัลลอฮ์ส่งมาสอนนั้นนะไม่มีใครปฏิเสธนอกจากคนที่ดันทุรังเท่านั้นแหละคนกาเฟตเท่านั้นต่างนี้เป็นต้นนะครับ